Mm hmm. ใทุกข์ก็เพราะความคิดผู้ถยถัวคือว่าคิดไม่ถูกคิดไม่เป็นที่จริงแค่นั้นก็ยังไม่เท่าไรแต่พอไปยึดเอาไปยึดมั่นถือมั่นมันก็เลยเป็นทุกข์ขึ้นมาให้ลองสังเกตดูว่าความทุกข์ในจิตใจของเราเนี่ย มันเป็นเพราะเหตุนี้หรือเปล่าที่เป็นกันมา ก, ก็คือความยึดในเรื่องที่เป็นอดีตอดีตมันผ่านไปแล้วเหตุการณ์มันก็เกิดขึ้นแล้วแล้วก็ไม่มีวันหวนกลับมาของก็หายไปแล้วลเงินก็สูญไปแล้วนะแต่ทาไมยังทุกอยู่ ก็เพราะไปคิดถึงสิ่งที่มันสูญเสียไปคำพูดหรือการกระทำของคนบางคนที่ทำความเจ็บปวดให้กับเรามันผ่านไปเป็นเดือนเป็นปีแล้วแต่ทำไมเรายังทุกข์อยู่ก็เพราะเรายังไปหวนคิดถึงมันอันนี้เราหยุดเอาไว้ ยึดในสิ่งที่เป็นอดีตแล้วมันก็ทำความเจ็บช้ำน้ำใจให้กับเราเหมือนกับหนี้ที่กรีดหัวใจเราครั้งแล้วครั้งเล่าให้จริงจริงสิ่งที่ผ่านไปแล้วหรือความทรงจำที่ไม่ดีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการกระทาไม่ดีที่คนอื่น กระทำกับเราหรือว่าสิ่งไม่ดีที่เราไปเผลอกระทํากับคนที่เรารักจนกระทั่งเกิดความรู้สึกผิตติดค้างใจในสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันมันก็ผ่านไปแล้วเราไม่สามารถจะแก้ไขอะไรได้อย่างดีที่เราควรทําได้คือว่าเอามาเป็นบทเรียนเพื่อจะได้ไม่ทําซ้ําหรือไม่ทําให้เกิดปัญหา เดิมอีกแต่ว่าเราก็มักจะไม่ได้ทำอย่างนั้นนะแต่ว่าก็ยังไปยึดเอาไว้คำพูดของเขาการกระทําของเขาไม่ว่าจะเป็นเพื่อนคนใกล้ชิดหรือแม้กระทั่งพ่อแม่สามีภรรยาผ่านไปแล้วแต่ก็ยังเก็บเอาไว้ แล้วเราก็ไปโทษเขาว่าเขาทําให้เราทุกข์เป็นเพราะการกระทำของเขาเป็นเพราะคําพูดของเขาดูหมิน่นเหยียดย้มเราใส่ร้ายเราใจที่จริงถ้าเราไม่ไปคิดถึงเหตุการณ์หรือคําพูดและการกระทำเหล่านั้นเราก็ไม่ทุกข์หรอกมันเหมือนกับว่าเรามีเศษแก้วอยู่ในมือ อยู่บนฝ่ามือถ้าเศษแก้วอยู่ตรงนั้นเฉยๆมันทําำลายเราได้ไหมไม่มีทางเลยแต่ที่มันเป็นปัญหาก็เพราะว่าเราดัานไปก ร, ร ม, มันเอาไว้ก ร, รมไม่พ อ, อยังบีบอีกทั้งกรรมทั้งบีบเศษแก้วมันก็เลยเฉือนมือเราเป็นแผลแล้วเราก็ไปโทษ เศษแก้วว่าทำให้เราเลือดไหลถ้านั่งที่ถ้าเราไม่กรรมมันก็ทำอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นจะไปโทษแก้วดีหรือจะโทษตัวเราที่ดันไปดีบไปกรรมมันเอาไว้ให้ความทรงจำที่ไม่น่าพอใจหรือว่าเหตุการณ์ที่ ไม่น่าพอใจเนี่ยนะมันก็เป็นแค่เศษแก้วที่ทําแล้วเราไม่ได้ถ้าเราไม่ไ ป, ปดีไปกรรมมันเอาไว้คือไม่ไปหวนคิดแล้วก็ยึดติดถือมั่นกับมันเร้าของที่สูญหายไปกับน้ำท่วมมันก็ผ่านไปแล้วมันไม่ใช่ของเราแล้วแต่ก็ยังหวนคิดถึงมันก็เลย กลุหม อ, อกกุ่มใจนอนไม่หลับทั้งทั้งที่เราก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทำให้เราสามารถจะกินอิ่มนอนอุ่นได้แต่ว่ามันไม่มีความหมายเพราะว่าใจมันหวนิดถึงอดีตนั่นเองหรือไม่ก็ไปนึกถึงอนาคตถ้าเป็นนึกนึกถูกมันก็ไม่เกิดความทุกข์เช่น วางแผนว่าจะทำอะไรหรือว่าใช้สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเครื่องเตือนใจให้เรามีการป้องกันเช่อนอาจจะเกิดเป็นไปได้ว่ า, า จ, จะเกิดน้ำท่วมอาจจะเกิดภยัยพิบัติขึ้นเราก็เตรียมการหรือว่าคิดไปข้างหน้าว่าเอออีกไม่นานเราก็ต้องตายนะเพราะฉะนั้นวันนี้เราต้อง ทำสิ่งที่ดีที่สุดไม่ปล่อยเว้ไล่ผ่านเลยไปอันนี้เรียกว่าคิดถูกคิดเป็นแต่พอคิดไม่เป็นเนี่ยไปนึกถึงสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นแล้วก็สร้างภาพปรุงแต่งว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นมัน ต, ต้องเป็นอย่างนี้แล้วก็เกิดความวิตกกังวลเกิดความกลัวขึ้นมาก็เลยทุกเลยแล้วคนเราทุกเพราะ กังวลในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงนี่ก็เยอะนะของทีก็กังวลเกี่ยวกับลูกเกี่ยวกับหลานลูกจะสอบเข้าหมหาวิทยลัย ไ, ได้ไหมถ้าลูกเป็นโสดไปเรื่อยๆนี่จะเป็นยังไงใครจะดูแลบางคนก็กังวลว่าลูกบวชแล้วยังไม่สึกเลยผ่านมาหกเดือนแล้ว แล้วถ้าลูกบวชตลอดชีวิตจะเป็นยังไงอ้ น, นี่มันอนาคตทั้งนั้นลูกจะไม่ศึกหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่าบางทีก็โอกาสศึกมีมากกวาไม่ศึกอยู่แล้วแต่เราก็ปรุงแต่งไปในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงเราด้วยความกลัวความเครียดความวิตกกังวลนะลองดูให้ดีเกิดจากการที่ไปยึดติดกับสิ่งที่ยังมาไม่ถึงทั้งนั้นเลย บางคนก็เป็นกังวลกับหนี้สินที่ต้องจ่ายบางคนก็เป็นกังวลนะกับงานการที่ค้างคายอยู่ตัวอยู่นี่นะแต่ใจนี่ไปอยู่ที่ทำงานแล้วงานมันยังไม่เสร็จเลยจะทำยังไงที่จริงความเครียดของคนเวลาทางานก็เกิดจากการที่มันไปอยู่กับอนาคต ทำงานเช้าก็ไปนึกถึงงานตอนบ่ายอีกสองสามชิ้นที่ยังไม่ได้ทําทํางานบ่ายก็ไปนึกถึงการประชุมตอนค่ําเป็นการประชุมที่สําคัญจะทํำยังไงดีคือว่าคิดค่ำฉอดตลอดเวลาและไม่ใช่คิดถูกคิดเป็นแต่คิดด้วยคิดในทางที่สร้างความทุกข์ให้แก่ตัวเองจ า, ากว่าวาง ไอสิ่งที่เป็นอนาคตเที่ยงมันไม่ถึงลงเสียแล้วก็มาอยู่กับปัจจุบันเราจะพวกว่าความเครียดมันหายไปได้เยอะนี่สิน้นอ่าสิ้นปีนี้หรือว่าสิ้นเดือนนี้จะมีกําลังจ่ายได้เท่าไหร่ะเป็นเรื่องของสิ้นเดือนหรือสิ้นปีแต่วันนี้เราก็ทําเต็มที่คิดแบบนี้เนี่ยก็จะผ่อนคลาย จะคิดแบบหลวงพ่อปยอิยมได้หลวงพ่อยมมูลนิธิว่าสวนแก้นี่กู้เงินธนาคารมาเยอะแยะเป็นสิบล้านหลายสิบล้านเพื่อมาช่วยชาวบ้านแล้วก็มีคนถามว่าเนี่ยหลวงพ่อเนี่ยเป็นหนี้มากมากนี่ไม่ทุกข์เหรอฉันบอกจะเป็นทุกข์ทำไมไอ้ครที่จะทุกข์มากกว่าก็คือเจ้าของเงินนะะว่าเราจะมีปัญญาจ่ายให้เขาหรือเปล่าคิดเป็นแต่สมาไม่ทุกข์หรอกเนี่ย ไม่ใช่ว่าท่านคิดจะเดียวนะท่านก็ไม่หรอกแต่ว่าท่านไม่เอาเอาหนี้สินมาเป็นกังวลถึงเวลาจ่ายก็จ่ายเท่าที่มีก็ทําเต็มที่แล้วเนี่ยมีเท่าไหร่ก็จ่ายเท่านั้นแหละหาได้เท่าไหร่ก็จ่ายเท่านั้นหาได้น้อยก็จ่ายน้อยหาได้มากก็จ่ายมากก็ทาไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็หมดหนี้ไปเองแหละมีบางคนเป็นหนี้พันล้านหลายพันล้านเพราะว่า เกิดวิกฤตเศรษฐกิจปี40สุดท้ายก็มาลงเอยด้วยการขายแซนวิชชิ้นละ20บาทวันหนึ่งขายได้30ชิ้นได้600บาทมันเทียบไม่ได้กับค่าดอกที่วันหนึ่งนี่เป็นแสนเป็นล้านแต่ว่าเขาก็ไม่เอาหนี้สินที่เป็นล้านๆเอามาเป็นกังวล ก็ตั้งนาตั้งตาทำแซนด์วิชแล้วก็ขายแซนด์วิชในตัวเองจากที่เคยขับเบนก็มาดืนขายแซนด์วิชตามโรงพยาบาลก็บอกว่าเดี๋ยวนี้ผ่านไปส0บกว่าปีก็ปดนี้ได้เกือบหมดแล้วแล้วก็ยังแถมยังมีธุรกิจที่มั่นคงเอาเข้าตลาดหลักทรัพย์ได้อันนี้เป็นเพราะอะไรก็คงเพราะเหตุปัจจัยหลายอย่าง แตที่สำคัญคือว่าเขาไม่เอาอนาคตรหรือภาระในอนาคตมาเป็นเครื่องกังวลก็ทำปัจจุบันให้ดีแม้ภาระข้างหน้ามันจะใหญ่โตแต่ว่าวันนี้ทำเต็มที่แม้มันจะดูเล็กกระจิตลิดแต่ว่าทำไปทาไปนะมันก็สะสมจนกลายเป็นเนินก้อนใหญ่ที่สามารถจะ สอนชำระหนี่ก้อนใหญ่ได้อย่างที่เราสอนเมื่อกี้เนี่ยนะความไม่ประมาทในธรรมทั้งปวงเป็นมงคลอันสูงสุดไม่ประมาทในความดีแม้เพียงเล็กน้อยความยั้นมันเพียนขอให้ทําเต็มที่ด้วยการอยู่กับปัจจุบันก็แล้วกันเดี๋ยวมันจัดการกับอนาคตเองถ้าเราทําดีวันนี้อนาคตก็ดีไปเอง วันอย่าไปเอาภาระในอนาคตมาสร้างความหนักอกหนักใจจนกระทั่งไม่เป็นอันทำบอะไรในปัจจุบันแต่คนส่วนให ญ, ญ่ทุกข์ก็เพราะว่าไปไปยึดติดกับไอ้สิ่งที่ยังมาไม่ถึงนอกใจไปยึดติดกับอ ด, ดีตและอนาคตแล้วก็ไปยึดติดกับสิ่งที่ปรุงแต่งขึ้นมาไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นข้างหน้าบางทีก็เราไม่ได้เห็นอย่างที่เห็นอย่างเดียวนะ ปรงแต่งเขาไปเยอะแยะเลยบางทีเราไปไปที่ทำงานก็ทักเพื่อนแต่เพื่อนเขาไม่ทักตอบเราก็ทุกแล้ะทุกพ่ออะไรเพราะคิดว่าเขาไม่ชอบที่หน้าเราเขาคงไปฟังคำนินทาของเพื่อนคนนั้นคนนี้มาบ้างเราก็เลยเห็นเราเป็นในแง่ร้าย ทิ่ปรุงแต่งไปเป็นตัวเป็นตายเลยแล้วก็ทุกนะวันนั้นทั้งวันไม่มีสมาธิกับงานเลยเพียงเพราะว่าเพื่อนไม่ทักตอบแล้วก็ปรุงแต่งเพราะว่าเพื่อนไม่ชอบเราแต่ที่จริงเขาอาจจะมีความทุกข์มีความกังวลที่พ่อเขาป่วยเข้าโรงพยา บ, บาลเมื่อเช้าหรือกังวลเรื่องลูกนะที่ ไปทะเลาะ ก, กับเพื่อนต่อยตีกันจนครูภาคทันเราก็เลยใจลอยไม่รู้ว่าเราทักเขาความจริงมันจะเป็นคนระอย่างกับที่เราปรุงแต่งก็ได้แต่เปเพราะเราไปเชื่อไปยึดติดกับสิ่งที่ปรุงแต่งขึ้นมาเราก็เลยทุกข์หลายคนก็ทุกข์เพราะเหตุ น, นี้ เราะปรุงแต่งเกี่ยวกับรูปเกี่ยวกับสามีเกี่ยวกับภรรยาเกี่ยวกับเพื่อนร่วม ง, งานหรือแม้แต่ปรุงแต่งในเรื่องที่เราไม่รู้ดีก็เหมือนกันบางทีทำให้เกิดปัญหายิ่งกว่าแค่ความถูกใจเมื่อสองสามปีก่อนก็มีวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งเนียมากินอาหารก็มานั่งกินบนโต๊ะที่อยู่นอกชาญ ระหว่างที่รออาหารอยู่บังเอิญมีนกมันบิดผ่านท่านก็ขี่ใส่หัวคนหนึ่งในนั้นก็บังเอิญกับที่ภรรยาเจ้าของร้านนี่เขาเดินเดินเสิร์ฟอาหารผู้ชายคนนั้นเนี่ยก็ไปปรุงแต่งว่าผู้หญิงเมียเจ้าของร้านนี่ถมน้ำลายลดถัวเขา ก็เลยโกรธมีการทะเลาะกันทะเลาะกันถึงขั้นจะทำร้ายกันเจ้าของร้านก็เลยเอาตังตอมาขู่นะหลรุ่นกลุ่มนั้นก็เลยหนีไปจะไม่ได้ไปไม่ได้หนีไปเลยนะกลับมายกพวกมาคราวนี้มาสีห้าคนเอาปืนมาด้วยก็เลยมีการยิงกัน เมียเจ้าของร้านตายส่วนวัยรุ่นแกงนั้นก็ถูกตำรวจจับก็เลยว่าคงเสียอนาคตไปเลยเรื่องของเรื่องก็มันแค่น้ำพึ่งหยดเดียวแล้วก็ปรุงแต่งไปไปหลงคิดว่าไปหลงปรุงแต่งว่ากี่นกเนี่ยมันเป็นน้ำลายที่เมียเจ้าของร้านถมใส่หัว ถ้าคนเรานี่พอปรุงแต่งแล้วไปยึดความปรุงแต่งนี่มันก็ไม่เพียงแต่ทุกใจหรือเกิดความโกรธเท่านั้นนะบางทีมันทําให้ความทุกข์ระบายไปสู่คนอื่นด้วย น, วก ะ, ย น, นวยะก็เลยเรื่องแค่นี้บางทีทําให้อนาคตเสียทําให้คนตายอย่างไม่สมควรเลยนี้พเพลียกว่าเพราะความยึดติดในสิ่งที่ปรุงแต่ง ให้ลองสังเกตดูนะที่เราเป็นทุกข์อยู่ตอนนี้เนี่ยเป็นเพราะว่าเราปรุงแต่งไปหรือเปล่ า, าปรุงแต่งนี่เป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าพอไปยึดมันแล้วเนี่ยมันกลายเป็นปัญหาบางทีสิ่งที่เรายึดก็ไม่ใช่สิ่งที่ปรุงแต่งมนะันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตรงๆชัดๆจริงๆอย่างเช่นเสียงโทรศัพท์ที่ดังดังในศาลานี้ หรือว่าเสียงมอเตอร์ไซค์เสียงเครื่องยนต์นอกศาลาหลายคนก็หงุดหงิดเมื่อได้ยินเสียงนั้นเพราะอะไรเพราะใจมันไปยึดกับเสียงนั้นบางทีเสียงมันก็ไม่ได้น่ารําคาญอะไรแต่ว่าพอใจไปยึดเสียงนั้นแล้วเนี่ยมันก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาเสียงอาจจะไม่ดัง ไปกว่าเสียงไมโครโฟนอัตมาแต่ปัจจัยไปปักอยู่ที่เสียงนั้นไม่ว่าเสียงโทรศัพท์หรือเสียงรถข้างนอกหรือแม้มเสียงคนพูดข้างล่างก็เลยฟังคาบรรยาย่อมาไม่ได้ยินไม่ต่อเนื่องก็ยิ่งเกิดความหงุดหงิเข้าไปใหญ่พอางูมีดแลเป็นางใจก็ยิ่งไปปักอยู่ที่เสียงแล้วก็เจ้าของเสียงนั้น ว่าทำไมไม่ปิดโทรศัพท์ว่าทำไมพูดกันข้างล่างไม่รู้จักเงียบสักทีหรือว่าทำไมมาขับรถผ่านไม่ปิดเครื่องซะ ก, ก่อนนะเขากําลังสวดมนต์เขากําลังฟังธรรมกันไปโน่เลยนะแล้วก็ปรุงแต่งด้วยความรู้สึกเป็นลบอันนี้เราไปยุดติกับปัจจุบันนะไปะยึดติกับอารมณ์ปัจจุบันก็เป็นทุกข์เหมือนกันหรือว่ามีความปวดความเมื่อย อันนี้มันก็เป็นของจริงนะมันไม่ใช่ปรุงแต่งแต่พอใจไปยึดกับความปวดความเมื่อยเนี่ยมันก็ยิ่งทุกเข้าไปใหญ่ลองสังเกตดูนะเวลาใจเราไปอยู่กับความปวดความเมื่อยที่เท้าที่แขนที่หัวยิ่งไปยึดมันถึอมันเนี่ยมันความปวดเันคูณสองคูณสามเลยแต่พอใจเรามาจดจ่ออยู่กับคบําบรรยายวันนี้ก็ลืมไปเลยนะว่าเจ็บว่าปวดอยู่เมื่อคนที่เล่นไพ่ทั้งวันทั้งคืน นั่งพับเพียบเล่นไพ่นั่งขัดสมาเล่นไพ่ทั้งคืนก็ไม่เห็นบ่นว่าเมื่อยเลยแต่พอเลิกเล่นก็ถึงค่อยรู้สึกว่าเมื่อยพราหละไเพราะว่าใจตอวนั้นมันไม่ได้อยู่ที่มันไม่ได้ไปปักตึงที่ความปวดความเมื่อยมันไปอยู่ที่ไพ่ใังการไปปักตึงอยู่กับสิ่งที่เป็นปัจจุบันไปยึดติดกับสิ่งที่เป็นปัจจุบันก็เป็นปัญหานะในการปฏิบัติธรรมเนี่ยเราเพียงแคให้รู้ปัจจุบัน ไม่ใช่ไปยึดกับอารมณ์ปัจจุบันพ่อองค์ลีมานเคยถามพระนันทิยะพระนันทิยะนี่ท่านก็เป็นลูกเศรษฐีแล้วมาบวชพอถามว่าพระเจ้าสอนอะไรบ้างพระนันทิยะก็ตอบดีนะก็ตอบว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าสอนให้ปล่อยให้วางข้างหน้าข้างหลังและท่ามกลาง ไม่ยึดติดในอารมณ์อันเป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันไม่ยึดติดในอารมณ์อันเป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันอารมณ์ที่พอใจก็ตามอารมณ์ที่ไม่พอใจก็ตามเมื่อเกิดขึ้นก็ให้หวังไว้เป็นกองกองเขาด่าว่าเราบน บ, บกก็วางกองเอาไว้บนบดอย่าเอาขึ้นน้าเขาด่าว่าเราในน้ำก็วางกองไว้ในน้าอย่าเอาขึ้นบก เขาด่าว่าอะไรในเมืองก็วางไว้ในเมืองอย่าเอาอย่าเอาติดตัวไปที่เชตวันเนี่ท่านสอนท่านอธิบายได้ได้ง่ายมากแล้วก็มีความลึกซึ้งด้วยไม่ยึดติดในอารมณ์มันเป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันปล่อยวางทั้งข้างหน้าข้างหลังและท่ามกลางปัจจุบันนี่ก็อารมณ์ปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นรูปรถกลิ่นเสียงสัมผัสก็อย่าไปยึดติด แค่รู้เฉยๆไม่ใช่ว่าเวลาเดินจงกรมได้ยินเสียงนกดังอ้าวก็เกิดความพอใจก็ไปปักใจอยู่ที่เสียงนั้นหรือว่ามีเสียงคนคุยกันไม่พอใจก็ใจก็ไปปักอยู่ที่เสียงนั้นก็เลยหงุดหงิดพอปฏิบัติทําไม่ดีก็ไปโทษเสียงนั้นใจจริงเป็นพัจใจเรามาไปปักอยู่กับไปยึดติดอยู่กับเสียงเหล่านั้นทําไม การไปยุดติกับอารมณ์ปัจจุบันนี่ก็ทําให้เกิดทุกข์ได้นะแค่รู้เฉยๆรู้แล้วก็วางมันก็ไม่ทําให้ทุกข์ได้หรอกแม้แต่แม้กระทั่งความเจ็บความปวดความเมื่อยถ้ารู้เฉยๆรู้เวทนาที่เกิดขึ้นก็รู้เฉยๆไม่ใช่ไปผลักไสไปกดข่มไปต่อสู้กับเวทนานั้นอันนั้นก็เรียกเป็ความยึดจิตอีกแบบหนึ่งนะยึดติดมันมีสองแบบคือ ชอบกับชังชอบนี่ก็ยึดติดชังก็ยึดติดอีกแบบหนึง่งเพราะเราชังอะไรก็ตามเราก็จะคิดถึงสิ่งนั้นเราเกลียดใครก็ตามเลยก็จะนึกถึงคนนั้นบ่อยๆเรากลัวใครก็ตามเราก็จะนึกหวนนึกถึงเขาจนนอนไม่หลับบางทีนึกบ่อยยิ่งกว่าคนที่เรารักนึ ก, กว่ายิ่งกว่าพ่อแม่หรือว่าลูกของเราซะอีกอันนี้เรียกว่าความยึดติด เป็นความยึดติดแบบหนึง่งเพราะฉะนันอารมณ์ปัจจุบันเนี่ยเมื่อมันเกิดขึ้นก็สับแต่ว่ารู้เฉยเฉยนะไม่ต้องยินดียินร้ายเพื่อทําให้ความทุกข์มันไม่เข้ามาครองใจของเราแต่ว่าสิ่งยึดติดที่สําคัญที่เป็นรากเหง้านะของความทุกข์ทั้งมวลที่พูดมาเนี่ยก็คือความยึดติดว่าเป็นเราเป็นของเราความยึดติดในตัวกูของกูทําไมคลองหายไปแล้ว ยังเสียใจยังเสียดายก็เพราะว่ายังคิดว่ามันเป็นของเราอยู่รถมันหายไปแล้วมันถูกพัดไปกับสายน้ําแล้วแต่ทำไมยังถูกอยู่ก็เพราะยังคิดว่าเป็นของเราไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางความเป็นของเราที่จริงจะว่าแต่ของหายเลยนะแม้กระทั่งเวลาถวายของให้พระหรือให้ของใครก็ตาม อย่างเช่นเวลาถวายอาหารให้พระถวายจีวรให้พระบางคนก็ทุกข์นะทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะว่าท่านไม่ฉันอาหารของฉันท่านไม่หอมจีวรของฉันก็ขนาดให้เข้าไปแล้วนะให้ท่านไปแล้วนะก็ยังด้วยเป็นของฉันอีกมันก็เลยทุกข์เนี่ยที่ว่าหลวงพ่อท่านยังไม่ฉันอาหารนั้นยังไม่ผอมจีวร น, นั้น ขนาดให้ด้วยความตั้งใจให้ด้วยเจตนานะไม่เหมือนกับว่าถูกน้ําพัดพาไปหรือคนขโมยไปให้ด้วยเจตนาด้วยความสมัครใจก็ยังยึดว่าเป็นของฉันอยู่ก็เลยทุกข์ไงแต่ถ้าเกิดให้แล้วก็ไม่ยึดว่าเป็นของเราให้คิดว่าเป็นของท่านไปแล้วก็ไม่ทุกข์หรอกท่านจะชั้นหรือไม่ท่านจะห่มหรือไม่เราก็ไม่ทุกข์ละเพราะว่าไม่มีความยึดแล้วว่าเป็นของฉัน อาหารของชั้นจีวรของชั้นแต่นี่พีะยงยึดอยู่นะก็เลยทุกเห็นไมครัว่าเวลายาึดว่าเป็นตัวเราของเราตัวกูของกูเนี่ยเดีย๋ยวว่าแต่ความพัดพลาดสูญเสียที่ไม่ไม่ปราธนาเลยแม้กระทั่งเวลาให้ที่ความสมัครใจก็ยังทุกถ้าลองสังเกตดูนะที่เราทุกทุกเนี่ยนะไม่ว่าเวลาเกิดความพัดพลาดสูญเสียหรือว่าเวลาถูกคน ต่อว่าเนี่ยที่มันทุกเพราะมันมีตัวกูอยู่เขาว่ากูเขาว่ากูมันมีตัวกูขึ้นมาตลอดเวลาเขาไม่ขอลบกูนะทําไมเขาไม่พูดดีกับกูนะมันมีตัวกูตลอดเวลาหรือแม้กระทั่งเวลาปวดเมื่อยนี่นะเราไม่ได้ปวดแค่กายปวดใจด้วยเพราะว่ามันมีความไปยึดว่าความปวดนี้เป็นของกู หรือเกิดความยึดเกิดปรุงแต่งตัวกูว่าเป็นผู้ปวดแล้วก็ไปยึดในตัวกูผู้ปวดนั้นถ้าปวดเฉยๆไม่เป็นไรนะแต่พอมีความสึกวกูปวดกูปวดนี่ทุบเลยเครียดนี่ไม่เป็นไรนะแต่พอไปยึดไปสําคัญมันหมายว่ากูเครียดเนี่ยทุบเลยนะหรือว่าเวลาบางคนเนี่ยก็จะมีหลายคนมาปรึกษามาว่าเดี๋ยวนี้เนี่ย มันจะมีคำพูดในใจที่ไม่ได้ตั้งใจเป็นคำพูดจ่วงจาบ พ, พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆนะ์เวลาสวดมนต์อยู่ดีๆเนี่ยมันก็มีคำพูดต่อว่าตำหนิพระรัตนตรยัยบางทีเจอใครเนี่ยมันก็มีคำพูดด่าเข้าในใจทำยังไงดีไม่ชอบเลยรู้สึกแย่มากที่มันมีความคิดแบบ น, นี้เกิดขึ้น มีคนมาถามแบบนี้เยอะมากนะหลายคนก็จะคิดว่ามีแต่ตัวเองเท่านั้นที่คิดแบบนั้นที่จริงมีคนมาปรึกษาเรื่องนี้แตามายเยอะมากใจมันดาพระรัตนตรัยจริงถ้าหากว่าเห็นมันเฉยๆนะั้นไม่ถูกหรอกแต่พอไปยึดว่าอุ๊ยกูไปด่าพระรัตนตรัยได้ยังไงทำไมเป็นคนบาปหยาบช้าอย่างนั้นทุกเลยรู้สึกผิดรู้สึกเสียใจ รู้สุดแยก่กับตัวเองแล้วยิ่งไปพยายามกดข่มความคิดเนี่ยไว้มันยิ่งคิดใหญ่เนะอะไรที่เราไม่อยากคิดอะไรที่เราพยายามที่จะกดข่มไม่ให้คิดนะมันยิ่งคิดเมื่อคนที่นอนไม่หลับเนะ่ะคนที่นอนไม่หลับเนี่ยพ่อฟุ้งซ่านยนะังไงก็พยายามกดข่มความคิดนั้นไม่ให้ฟุ้งซ่านเพื่อจะได้นอนหลับปรากฏว่ามันยิ่งโผล่ยิ่งผุดออกมาก็เลยกลายว่านอนไม่หลับมากขึ้น มีความกังวลเวลานอนไม่หลับก็ไปพยายามกดข่มความกังวลนะั้นมันยิ่งกังวลใหญ่มันเหมือนกับวัยรุ่นนะนะยิ่งห้ามเหมือนยิ่งอยู่คนที่ทุกแบบนี้เป็นเพราะว่าสําคัญม่หมายว่าโอ้ยฉันว่าพลัตตันนัตายมันไม่ใช่ฉันมันไม่ใช่ตัวฉันจะไปยึดเอาไว้ความคิดท่านเป็นตัวฉันพอคิดว่าเป็นตัวฉันนี่ทุกข์เลยนะ หรือแม้แต่แค่ความเครียดความฟุ้งซ่านถ้าเราเห็นว่าเออมันแค่มันเป็นแค่สิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามันก็ไม่ทุกหรอกความเจ็บความปวดเวลามีโรคภัยไข้เจ็บที่ทุกข์กันเนี่ยมันไม่ใช่ทุกข์กายมากเท่ากับทุกข์ใจนะทุกข์ใจมีความทุกข์ใจมากแต่ถ้าเกิดว่าเราเห็นว่ามันเป็นแค่ความทุกข์กายนะไม่ไปยึดว่าฉันทุกข์ฉันปวด ให้ความทุกข์มันจะบรรเทาลงไปเรียกว่าป่วยแต่กายใจไม่ป่วยซึ่งอันนี้ก็คือสิ่งที่พระเจ้าสอนนะว่าเมื่อกายป่วยก็ให้ป่วยแต่กายนะใจอย่าป่วยด้วยเจ้าก็ใจป่วยนี่ถือว่าโดนลูกธนูเข้าไปสองดอกเลยนะผู้ที่มีปัญญาหรืออย่างพระอระหันต์หรือว่าผู้ที่มีการปฏิบัติเนี่ยเวลามีทุกขเวทนาเกิดขึ้นเนี่ย ก็จะทุกแต่กายในะใจไม่ทุกข์ด้วยผู้เจ้าเปลี่ยนมันก็ว่าเจอรูดธนูไปดอกเดียวแต่ถ้าเกิดว่าใจไปทุกข์ด้วยนะมีทุกขเวทนาทางใจด้วยเนี่ยเรียกว่าเจอรูกธนูเข้าไปอีกดอกหนึ่งรวมเป็นสองดอกธนูดอกแรกอาจจะเกิดจากเชื้อโรคอาจจะเกิดจากอาหารเป็นพิษอาจจะเกิดจากสารพิษมันสะสมในร่างกายก็ทําให้ป่วย หรือบางอาจจะเกิดจากคนอื่นมาทําเช่นเข้ามาเข้ามาทําร้ายเราทําให้เป็นแผลหรือเกิดจากสิ่งอื่นมากระแทกทําให้ขาหักแขนหักไอ้ธนูดอกแรกนี่เกิดจากสิ่งอื่นแต่ธนูดอกที่สองเนี่ยใจเราล้นลวนเลยทําขึ้นเรี๋ยว ม, มันจะเอาธนูดอกที่สองเนี่ยปัก อ, อกตัวเองนะหรือแทงตัวเองก็คือปรุงแต่งว่ามันเป็นเราเป็นของเรา เป็นตัวกูของกูขึ้นมาให้ตัวนี้เป็นเป็นร่างเงาเห็นความทุกข์ทั้งมวลของผู้คนไม่ว่าทุกข์นั้นเริ่มต้นจากทุกข์ทางกายหรือว่าเริ่มต้นจากการที่สูญเสียสิ่งของหรือพัาดพลากจากคนรักแต่นั่นเป็นแค่ปัจจัยรองเป็นปัจจัยภายนอกปัจจัยหลักก็คือไอ้ความยึดติดถือมั่นว่าเป็นตัวกูของกูนี่แหละลูกไม่ ไม่เชื่อฟังก็ทุกนะเพราะว่าเกิดความยึดมั่นว่าลูกไม่เชื่อกูลูกเป็นของกูทําไมไม่เชื่อกูเนะี่ยทุกเลยบางทีก็โกรธแค้นโกรธลูกด่าว่าลูกลูกก็ตอบโต้ตอนนี้โกรธกลายเป็นเกลียดไปเลยนะบางทีถึงก็ทําร้ายลูกเนะพราะลูกเถียงลูกเถียงพ่อก็เลยทํำร้ายลูกซะเลยตกหรือบางทีก็ยิงนะ มีนะยิงลูกตายช่างที่เป็นคนธรรมะธรร ม, มูเสร็จแล้วก็เสียใจค่าตัวตายอันนี้มันเกิดขึ้นเพราะความยึดมั่นถือมั่นความทุกข์มันยังเกิดเพราะความยึดพราะนั่นที่หลวงพ่อชาพูดเนี่ยน่าคิดมากเนี่ยพูดว่าทุกมีประยึ์ทุกยืดพรอยากทุกมากเพราะปล่อยทุกน้อยประหยุดทุกหลุดพอะปล่อย ท่านเขารู้จักปล่อยได้นะปล่อยอดีตเรื่องที่ผ่านไปแล้วก็ปล่อยเรื่องที่ยังมาไม่ถึงก็ยังไม่เอามากังวลไม่เอามาคุ้นคิดอะไรที่ปรุงแต่งก็รู้ว่ามันเป็นความปรุงแต่งมันไม่ใช่ความจริงอย่าเพิ่งไปยึดมันถหรือม า, มาเป็นความจริงต้องฟังเอาไว้ก่อนเพราะว่าเราอาจจะไปปรุงแต่งขึ้นเองก็ได้อารมณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันที่ไม่พอใจก็อย่าไปยึดมันเสียงดังก็เออก็สักแต่ว่าเสียงเราก็ทํา นาที่ของเราต่อไปหรือม า, มาจดจอ่อคำบรรยายมันก็ไม่มีความทุกข์ไม่มีความหนุนหนุนมีเกิดขึ้นส่วนเรื่องความยึดติดในตัวตนหรือตัวกูของกูนี่ก็ใช้เวลาถอนเยอะหน่อยแต่ที่จริงถ้าเจริญสตินะถ้าเจริญสติเนี่ยทุกครั้งที่มีสติทุกขณะที่มีสติเนี่ยไอความยึดหรือการปรุงว่าเป็นตัวกูของกูมันไม่มีหรอกเพราะว่า ความปรุงแต่งมันเกิดขึ้นในยามที่หลงหรือลืมและที่หลงลืมก็เพราะอะไรเพราะไม่มีสติเมื่อไม่มีสติในขณะนั้นก็เป็นความหลงก็เกิดขึ้นเมื่อหลงก็เลยปรุงมีตัวกูขึ้นมาแล้วก็ยึดในตัวกูนั้นเวลาเราเดินจงกรมนะถ้าเราเดินอย่างมีสติเวลายกมือสร้างจังหวะถ้าเราสร้างยังมีสติมันก็จะเห็นว่าอออ ไอ้ที่ยกนี่ไม่ใช่เรายกมันเป็นกายยกไอ้ที่เดินไม่ใช่เราเดินมันเป็นกายที่เดินมันไม่มีตัวกูไม่มีตั ว, ตวเราเป็นผู้กระทําเลยนะมันมีแต่การกระทําหรือว่า <forgot> มันมีแต่การกระทําของรูปไม่ใช่การกระทําของเราเป็นการกระทำของกายไม่ใช่ของเราเวลาเครียดเวลาฟุ้งมันก็เป็นใจที่เครียดใจที่ฟุ้งไม่ใช่เราเครียดเราฟุ้ง มันไม่มีเรานะเป็นเจ้าของการกระทํำนั้นสตินี่มันช่วยทําให้การปรุงแต่งตัวเรามันหายไปอันนั่นแหละที่ทําให้การยึดติดในตัวกูของกูเนี่ยมันมันไม่เกิดขึ้นแต่มันก็เป็นขณะขณะเท่านั้นนะถาหากว่าสติอ่อนมันก็ปรุงขึ้นมาใหม่แล้วก็ก็อาจจะคลองใจแล้วก็ปรุงต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่ง วันทั้งวันอยู่ในความหลงแล้วก็วันทั้งวันก็เต็มไปด้วยความทุกข์เพราะแบกเอาไว้ทั้งนั้นการเจ ร, ริญสติมันช่วยทำให้เราช่วยถ่ายถอนในความยึดมั่นในตัวกูของกูได้ดียิ่งถ้ามีปัญญาอย่างที่สุดแล้วเนี่ยก็จะเห็นเรามันของปลอมของหลวงมันมีตัวเราตั้งแต่แรกอันนี้แหละเป็นสิ่งที่เราต้องฝึกกันนะถึงจะทาให้เราทาให้การปล่อยวาง การไม่ยึดติดถือมันนี่เป็นไปได้